สเวทนาติกะ 2. ส, สหัชชาตาวานันสามสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับสภาธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาและ3ปัจจยาวาน34มสิบสภาประธามที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาให้เป็นปัจจัยและ 4. นิสัยาวาน35อิงอาศัยสภาธระมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาและ 5. สังสัตถ ว, วานสามสิ 36. สภาวธรรมที่เกิดปราคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาละหสัมปยุตตวาน37สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองสัมปยุต ด, ด้วยขันหนึ่ง ที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปะยุดกับขันสองเกิดขึ้นในมังเล็บย่อสัมปะยุดตาวาลจบสองเวทนาติกะ 7. จปัญหาวาน 1. ปัจญานุโลมหนึ่งวิพังควานเหตุปัจจัยสามสิบแปด สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ด้วยขันโดยเหตุเถิตุปัจจัยในปัจเจตนที่ขณะเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตะขันโดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุตโดยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตโดยทุกขเวทนาโดยเหตุเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตโดยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัตสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัตสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัย แต่ก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย39สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาปธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัย ได้แก่ บ, บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาโบาสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาพระอริยะมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลส ท, ทิระได้แล้ว ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่คมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารถนาความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารามนัปัจจัยได้แก่บุคคลที่มีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้ทานจมาทานศีลรักษาโบาสดแล้วกลับมีวิปัิสารโทรมนัตจึงเกิดขึ้น เมื่อฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเสื่อมไปแล้วกลับมีวิปัสสารโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขฆมสุขเวทนาโดยอารามานปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา ให้ทานธมาทานศีล ร, รักษาโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาออกจากทานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาพระอริยะมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาพิจารณากิเลสทิระได้แล้ว ซึ่งสัมปะยุดด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่คมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปะยุดด้วยทุกขมาสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคาที่สัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกริยาจึงเกิดขึ้นอุทธจจะจึงเกิดขึ้นพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปขยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิต โดยอารามนาปัจจัยเพราะปรารบขันธ um ์ที่สามปยุติด้วยสุขเวทนาขันธ์ที่สามปยุติด้วยอทุกขะมะสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น40สภาวธรรมที่สามปยุติด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สามปยุติด้วยทุกขเวทนาโดยอารามนาปัจจัยได้แก่เพราะปรารบโทสะโทสะจึงเกิดขึ้นโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโมหะ ที่สัมปะยุดด้วยทุกขเวทนาโมหะจึงเกิดขึ้นโทสะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบกายวิญญาณที่สอรกดด้ทุกขโทสะจึงเกิดขึ้นโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาขันที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนา โดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยะมีจิตสัมปยุตยด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตยด้วยทุกขเวทนาพิจารณากิเลสที่คมได้แลว้วรู้ก ke ke er ิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตยด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะปรารบขันธ์ที่สัมปยุตยด้วยทุกขเวทนา ขันธ์ที่สัมปยุติด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สามปยุติด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยอทุกขฆมสุขเวทนาโดยอารามานปัจจัยได้แก่พระอริยมีจิตสัมปยุติด้วยอทุกขฆมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุติด้วยทุกขเวทนาพิจารณากิเลส ท, ที่ขมได้แล้วรู้กิเลส ท, ที่เคยเกิดขึ้น บุคคลมีจิตสัมยุญด้วยทุกขมะสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณขันที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณอุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปัคคายาน อานาคตังสยานและอาวัชนาจิตโดยอารามนาปัจจัยเพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น41สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาโดยอารามนาปัจจัย แต่ก่บ well ุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสดแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาพระอริยะมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนา พิจารณากิเลสทีิละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่คมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้น ราคาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธะจึงเกิดขึ้นพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขมัสุขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ น, นัญจายตนะโดยอารามณปัจจัย อากินจัญญายตนาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนาโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่สามประยุติด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปขยานอนาคตังสยญาณและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย เพราะปรารภขันที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาขันที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารามณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ แล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาพระอริยมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคาติสัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมะสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารามานปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาโโบสถแล้วกลับมีวิปปติสารโทรมานต์จึงเกิดขึ้นเมื่อฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมะสุขเวทนาเสื่อมแล้วโกร กรับมีวิปติสารโทมนัตจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันธ์ที่สัมประยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาขันธ์ที่สัมประยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นอธิปฏิป จ, จัย42สสภาวธรรมที่สัมประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอธิปฏิปจัจัยมีสองอย่างคืออารัมณาธิปติ และสหัชชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมยุ์ด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาโบสดแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมยุ์ด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมยุ์ด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้ว พิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเพราะทาความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นราคาี่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรม ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอาทุกขมตสุขเวทนาโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ แล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนา พระรัตความยินดีเพเลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้น 43. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาปธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอธิปฏิปฏัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ ต, ตขันโดยอธิปฏิปัจจัย 4. สสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติละสหัชาตาทิปติอารัมมนาธิปติไดแก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนา ให้ทานตมาทานศีลรักษาวบวชสดแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธด้วยทุกขมัสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุทธด้วยทุกขมัสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธด้วยทุกขมัสสุขเวทนายินดีเพลิดเพลิน ขันที่สัมประยุทธ์ด้วยอัตุขมตสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอัตุขมตสุขเวทนาเพราะทําความยินดีเพลิดเปลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาที่สัมปยุทธ์ด้วยอัตุขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาทิปฏิ ได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัศสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตะขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนา ให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสดแล้วพิจารณากุศ ล, ลศนั้นให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัตสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมัตสุขเวทนา ยินดีเพลิดเพลินขันที่สัมยุญด้วยทุกขมาสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมบุญ ด, ด้วยสุขเวทนาเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมบุญ ด, ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัย45บห สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยเด็แก่ขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรพภูโดยอนันตระปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรตะพูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรัปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุทฒานะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย exchange, ส mustache, ุขเวทนาเป็นป <seperti> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอัตุขมตสุขเวทนาโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ส <letzte> ัมปยุต <öz> ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุปัติจิตที่สัมปยุตด้วยอัตุขมตสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อาวัชนัจิตโดยอนันตรัปัจจัย กายวิญญาณที่ถรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรัปัจจัยมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากตึงสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตรัพปัจจัยภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมะสุขเวทนาโดยอนันตรัปัจจัย กุศลและอกุศลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุทานะที่สัมปยุตด้วยทุกขามาสุขเวทนากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุานะผลเป็นปัจจัยแก่วุทานะโดยอนันตรับปัจจัยสีสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตรัปัจจัย ได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนานะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา everyday, เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่กายวิญญาณที่สารคตด้วยทุกขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบาก โดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่สัมปยุตด้วยทุกขธรมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสีสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขธรมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขธรมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขธรมสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อน เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันต ร, ประปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสัขนะขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรปุูที่สัมปยุตด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยอนันต ร, ประปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรปูเป็นปัจจัยแก่มักโวทานเป็นปัจจัยแก่มักมักเป็นปัจจัย แ, จยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผล อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติในวสัญญานาสัญญายาตนาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่พุทธะที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรม ที่สามประยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาปะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สามปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยมโนธาตุที่เป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่มโ bon นวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตารัปัจจัยผวังคจิตที่ส <clears throat> ัมปยุตด้วยอาทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ผวังคจิตที่ส <unemployed>, ัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรัปัจจัยกุศลและอกุศลที่สัมปยุตด้วยอาทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่พุทธะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนากิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธะ ผลเป็นปัจจัยแก่วุธธานะเนวสัญญาณาสัญญายาตนาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สัมปยุทธ์ด้วยเวด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะทุกเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อวัชนะจิต เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสมนันตรปัจจัย48สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยสมนันตระปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยสหสชาตปัจจัย49 สภาธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยสหชาตปัจจัยแต่แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาตปัจจัย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 โดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยและนิตยปัจจัยห้สองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิตยปัจจัยในวงเล็บอัญญมัญญปัจจัยและนิตยปัจจัยเหมือนสหชาตปัจจัย อุปนิสัยปัจจัย53สภาวธรรมที่สามประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สามประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยปนิสัยปัจจัยมีสมอย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปะกตูปนิสัยละปะกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิต ที่สัมยุตด้วยสุขเวทนาอาใจศรัทธาที่สัมยุตด้วยสุขเวทนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลปรักษาโบสถธรรมฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เกิดขึ้นทำวิปปัจนาให้เกิดขึ้นรำมรรคให้เกิดขึ้นในวงเล็บธรรมาพิญยาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิบุคคลอาศัย ศีลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตะจาคะปัญญาปราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สารคตรด้วยสุขจึงให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นในมือเล็บในศีลสุตตาจาคะและปัญญาซึ่งมีสัจธาเป็นที่5พึงเพิ่มคําว่ามีมานะถือทิฏฐิเข้าด้วย ในหมวดธรรมที่เหลือไม่ต้องเพิ่มเข้าบุคคลมีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาลักทรัพย์พูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลวผิดภรนรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตตจาะปัญญาปราะโมหะ มานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่ถวรคด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาศีล ส, สุตะจาระคัปัญญาราคะโมหามานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่ถวรคด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุก ข, ขมาสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัย สภาธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยปณิสิยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปณิสิยาได้แก่บุคคลอาศัยติตทาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยตีนที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสุตาจาคะ ปัญญาทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยราคะที่สัมประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโมหะมานะทิฐิความปรารถนากายวิ ญ, ญญาณที่สระคตด้วยสุขจึงฆ่าสัตว์มีจิตสัมประยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์พูดเท็จพูดจอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้องัดแง ปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ทางเปลวผิดพันรยาผู้อื่นข่าชาวบ้านข่าชาวนิคมข้ามารดาข้าบิดาข่าพระอระหันต์มีจิตประทุษร้ายทำพระโรหิตของพระตถาคตให้ห่อทำลายสงศสธาที่ตรัมประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาปราคา โมหะมานะทิติความปรารถนากายวิญญาณที่ต่อรอดด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่ต่อรอดด้วยทุกข์และขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขฆมาสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสามอย่างคือ อารัมมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลมีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสสุขเวทนาอาศัยตัณหาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโสดาบันทำฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสสุขเวทนาให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ธรรมักให้เกิดขึ้นธรรมอภิญญาให้เกิดขึ้นธรรมมาบัตให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยสี่นที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตตาจากะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิ ญ, ญญาณที่สวรคตด้วยสุขจึงให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยทุกขมาสุขเวทนาและ ทำสมาบัทให้เกิดขึ้นรักทรัพย์มีจิตที่สามปยุทธ์ด้วยทุกขธรมสุขเวทนาพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม้ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจีตที่ทางเปลี่ยวผิดพรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สามปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนาศีล ส, สุตะจาระปัญญา ราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่รตรรกะด้วยสุขและขันธ์ที่สัมยุญ ด, ด้วยทุกขมัสุขเวทนาโดยปณิเตยปัจจัย 54. สภาวธรรมที่สัมยุญ ด, ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาโดยปณิตตยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปณิตตย และปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะจึงฆ่าสัตว์มีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์และทำลายสง์อาศัยโมหะกายวิญญาณที่สารคตด้วยทุกข์จึงฆ่าสัตว์มีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์และทำลายสงโทสะโมหะ กายมิญญาณที่ถรคตด้วยทุกเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่ถรคตด้วยทุกข์ขันธ์ที่สัมประยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยปนิสตยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสตยะได้แก่บุคคลที่อาศัยโทสะ มีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานและทำสมาบัตให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนารักทรัพ์ละฆ่าชาวบ้านอาัยโมหะกายวิญญาณที่ถวรกดด้วยทุกมีจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละฆ่าชาวนิคมโทสะโมหะ กายวิญ ญ, ญาณที่ตรรคตด้วยทุก pounds, เป็นปัจจัยแก่สัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาละกายวิญญาณที่ตรรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะ และประตูปนิิยะละประตูปนิิยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะมีจิตติ่สัมยุญด้วยทุกขมะสุขเวทนาจึงให้ทานและฆ่าชาวนิคมอาศัยโมหะกายวิญญาณที่สาระตด้วยทุกข์มีจิตติ่สัมยุญด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละฆ่าชาวนิคมโทสะโมหะกายวิญญาณ ที่ตระคตด้วยทุกเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนาและความปรารถนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยปนิติยปัจจัยห้ 55. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมตสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมตสุขเวทนาโดยปณิตยปัจจัยมีสมอย่างคืออารัมมณูปณิตย อนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศใจตถาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมตสุขเวทนาจึงให้ทานละถือทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนาสุตะจาระปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิ ความปรารถนามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาจึงให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนารักทรัพย์ละฆาดชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาศีลตุตะจาระปัญญาราคะโมหะมานาทิฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาละ ปรารถนาและขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยปณิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขธมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยปณิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปณิสติยาอนันตรูปณิสติยาและปกตูปณิสติยาละปกตูปณิสติยาได้แก่ บุคคลอาศัตัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละถือทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นต้นละความปรารถนามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละทําสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนารักทรัพย์ละฆ่าชาวนิคม ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาและความปรารถนาและกายวิญญาณที่สวรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและความปรารถนากายวิญญาณที่ถวรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยาและปกตูปนิสติยาละปกตูปนิสติยาได้แก่บุคคลอาใจตัจทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาจึงทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาละ ความปรารถนาแล้วข้าสัตว์มีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนารักทรัพย์เป็นต้นละทำลายสงศัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัดสุขเวทนาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่ทรกระดด้วยทุกขขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอุปนิสตยปัจจัยอาเสวนาปัจจัย ห้าสิบหสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะโดยอาศัยวณปัจจัยได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวนทนาะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาศัยปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะเป็นปัจจัยแก่โคตรตะรพู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอาศัยปัจจัยแต่แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวณปัจจัย สภาธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาธรรทมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาโดยอาเสวนปัจจัยแต่แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกข์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัย อนุโลมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนปัจจัยกรมมะปัจจัยห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยกรรมมะปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะและ นานาคณิกะสหะชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยกรรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเป็นต้นละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะเป็นปัจจัยแก่ขันที่ซึ่งเป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยกรรมมปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สามประย like ุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนา โดยกรรมมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะแต่แก่เจตนาที่สัมปยุตโดยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขกมสุขเวทนาโดยกรรมมปัจจัยห้ 58. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะินานาคณิกะ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 มีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยกรรมปัจจัย 59. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขธมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขธมสุขเวทนาโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะ สหชาตาได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตะขันโดยกรรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกาได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาโดยกรรมมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวระธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยกรรมมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยกรรมมปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาปะธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยกรร ม, มปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้กแก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยกรร ม, มปัจจัยวิปากปัจจัย60สิบ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยวิปากับปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่สมัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสอง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 ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองละในปฏิสนที่ขณะละอาหาระปัจจัยเป็นต้น61สสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาปรธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอาหาระปัจจัยละเป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยอัิปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยอวิคตาปัจจัยและ